เรื่องที่30การตีความสุภาสิสมมติว่าเราเอามะพร้าวห้าลูกหนึ่งวางไว้บนโต๊ะแล้วมีใครคนหนึ่งอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมะพร้าวลูกนั้นทางที่จะอธิบายก็มีอยู่สองทางคืออธิบายออกไปหามะพร้าวหรืออธิบายเข้ามาหาตัวเราอย่างได้อย่างหนึ่งการอธิบายออกไปหามะพร้าว คืออธิบายย้อนไปถึงว่าการเพราะมะพร้าวทำอย่างไรปลูกมะพร้าวทำอย่างไรวิธีขึ้นต้นมะพราะ้าววิธีขายมะพราะ้าววิธีขนมะพราะ้าวและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับมะพราะ้าวนี่อธิบายออกอธิบายเข้าหาตัวก็จับจากลูกมะพร้าวเหมือนกันแต่สาวความไปข้างหน้าชี้ลงไปว่าวิธีปอกมะพร้าวทำอย่างไร ผ่ามะพร้าวทำอย่างไรเจอขูดวิธีไหนเจอคั้นวิธีไหนเจอแกงอะไรจนกระทั่งว่าจะกินอย่างไรนี่อธิบายเข้าการตีความสุภาษิตก็เหมือนกันสุภาษิตแต่ละข้ออุปมาเหมือนลูกมะพร้าวจะตีออกก็ได้ตีเข้าก็ได้แล้วแต่ความมุ่งหมายของคนตีว่าจะตีทําไมขอพูดย้อนต้นอีกนิด คือเรื่องการตีความสุภาษิตหรือหลักธรรมของศาสนาเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังจงหนักไม่เช่นนั้นจะตีเปล่าคือตีแล้วไม่ได้ความการตีความนั้นประการสำคัญเราต้องนึกไว้เสมอว่าตีความก็คือตีความนั่นเองหมายความว่าเราอยากได้เราจึงตีที่ตีนั้นตีเอาไม่ใช่ตีทิ้ง เหมือนอย่างเด็กทําความผิดผู้ใหญ่ถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกความจริงข้างผู้ใหญ่อยากได้ความจริงจากเด็กจึงเอาไม้เรียวหวดก้นเข้าให้หวดไปก็ถามไปเมื่อเด็กบอกความจริงแล้วก็เลิกตีตีอย่างนี้เรียกว่าตีเอาความวิธีเอาความจากเด็กเขาต้องถนอมเด็กไว้ตีแต่พอได้ความไม่ใช่ทุบตีจนแหลกเหลว ได้ความว่าในบางยุคมีการซ้อมเอาความด้วยคือทางเจ้าหน้าที่จับคนที่ต้องสงสัยมาแล้วสอบสวนเท่าไหร่ผู้ต้องหาก็ไม่รับเลยซ้อมเอาเจ็บๆทําให้รับและบอกความจริงที่ว่านี้ว่าตามที่เขาว่ า, วากันเท็จจริงไม่รับรองแต่ก็น่าจะเป็นไปได้ในเมื่อเราตีเอาความจากเด็กได้ทำไมจะซ้อมเอาความจากผู้ใหญ่ไม่ได้ คนขี้โมโหโทโสทำได้ทั้งนั้นทั้งทั้งที่ไม่น่าทำการที่เราจะตีความสุภาษิตเบื้องแรกเราจะต้องรักและถนอมสุภาษิตนั้นไว้คือเคารพในสุภาษิตแล้วจึงตีเวลาตีก็ตีอย่างถนอมไม่ใช่ตีจนแหลกเหลว อ, อย่างคนตีทิ้งอย่างเช่นสุภาษิตไทยที่ว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง เราจะตีความว่าอย่างไรบางคนตีความเอาว่าท่านสอนให้หลบหลีกงานตัวจะได้ไม่เหนื่อยและไม่ต้องรับผิดชอบกับใครๆอย่างคนที่ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการเพื่อฝึกวิชาไว้รักษาประเทศชาติบางคนคิดอ้างว่าตัวถือสุภาษสิทธิ์รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางจึงหลบหนีไปจากกรมกองเสีย ัห น, นีไปแล้วก็นึกกระยิบในใจว่าตนรู้จักใช้สุภาษิตแล้วก็พานจะเห็นว่าพวกที่ไม่หนีเป็นคนโง่เซอะเอะอย่างนี้เรียกว่าตีความผิดคือตีจนไม่ได้ความแย่จริงๆถ้าเป็นการตีเอาความจากเด็กก็เท่ากับตีจนเด็กตายเลยเสียความหมดถ้าลงตีจนเสียความคนตีก็เลยพลอยจะเสียคนไปด้วยที่ถูก สมมุติว่าเราจะตีความสุภาษิตบทนี้เราจะต้องถนอมสุภาษิตไว้ให้ดีคือไม่ดูหมิ่นถ้อยคำในสุภาษิตนั้นแม้แต่คำเดียวเพราะคำในสุภาษิตแต่ละข้อเป็นคำจำกัดไม่ให้คำเหลือเฟือแต่เป็นคำมีค่าทุกคำเหมือนส่วนผสมยาที่หมอเขาปั๊มเป็นยาเม็ดหรือยาลูกกลอนทุกๆชิ้นทุกๆส่วน แม้จะเล็กเท่าปลายเข็มหมุดก็มีสรรพคุณทุกชิ้นคนปรุงเขากลั่นเขากรองมาแล้วคำพูดทุกคำที่ท่านผสมเป็นสุภาษิตแต่และข้อก็เหมือนกันมีคำจำกัดทั้งสิ้นต้องดูให้ดีในสุภาษิตข้อที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ท่านสอนให้รู้หลบรู้หลีกแล้วท่านยังจำกัดความไว้ด้วยว่าให้รู้หลบรู้หลีกเหมือนนก ที่ว่าให้ทาเหมือนนกก็เพราะท่านกล่าวถึงปีกถึงหางสัตว์ที่มีทั้งปีกทั้งหางที่สำคัญก็คือนกสัตว์ชนิดอื่นก็มีบ้างเหมือนกันแต่ส่วนมากมีไม่ครบบางอย่างมีหางแต่ไม่มีปีกบางอย่างมีปีกแต่ไม่มีหางบางอย่างมีทั้งสองแต่ไม่ได้ใช้เป็นกิจลักษณะเช่นเป็ดและไก่ก็มีทั้งปีกทั้งหาง แต่แล้วใช้ขาเป็นภาณะเสียมากฉะนั้นสุภาษิตบทนี้จึงมุ่งถึงนกอย่างแน่นอนคือท่านสอนให้เอานกเป็นตัวอย่างทีนี้เราก็คิดต่อไปว่านกมันใช้ปีกใช้หางของมันหลบหลีกจากอะไรมันหลบหลีกจากการหาอาหารใส่ปากใส่ท้องอย่างนั้นหรือมันหลบหลีกจากการสร้างรวงรังที่อาศัยอย่างนั้นหรือ มันหลบหลีกทิ้งลูกทิ้งฝูงของมันอย่างนั้นหรือหรือมันหลบหลีกจากอะไรแน่เพียงแต่ตั้งคำถามขึ้นตอบเท่านี้เราก็จะมองเห็นอัตรรกของสุภาษิตบ้างแล้วว่าปีกและหางของนกมันใช้หลบหลีกจากภัยอันตรายมันหลบเวลาถูกอีเหี่ยวไล่ต้อนมันหลีกเวลาถูกนายพรานดักยิงมันหลีกมันหลบเวลาถูกดักด้วยตาข่าย เรื่องของนกมันอย่างนี้ต่างหากโบราณท่านสอนให้เรารู้จักหลบรู้จักหลีกอย่างนกก็หมายความว่าให้เราหลบหลีกจากความไหยนะ์เท่านั้นคือหลบจากที่ผิดเข้าหาที่ถูกหลีกจากความเสื่อมเข้าหาความเจริญรวมความว่าให้รู้จักป้องกันตัวเองไว้อย่าให้ตกไปสู่ความไหยนะอย่าให้เสียหายนี้คือความหมายแห่งสุภาษิต ข้อที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้คนที่หลบหลีกการงานไม่อยากให้เงืน อ, ออกแต่อยากได้รับผลงานของคนอื่นเขาแล้วนึกกระยิบในใจว่าต้นหลบหลีกเก่งเหมือนนกจึงเป็นคนคิดผิดถ้าเหมือนนกก็คงเหมือนนกตาบอดหลบไปหลีกมาเลยทลาเข้าไปในครัวของนายพลาเสียเท่านั้นคนที่หลบหลีกการงานก็เหมือนกัน ไม่ช้าก็ทลาสู่อบายมุกจนได้ไม่ลงขุมใดก็ขุมหนึ่งแน่แน่ที่พูดมายืดยาวนี้เพื่อชี้ให้เห็นการตีความสุภาษิตที่ผิดพลาดว่าเป็นอันตรายอย่างไรควรระวังมากน้อยเท่าไหร่การตีความสุภาษิตรหรือข้อธรรมในศาสนาก็เหมือนกันส่วนที่ว่ามีทางตีสองทางคือตีเข้ากับตีออกนั้นหมายความว่า ตีความทางประยัตหรือตีความทางปฏิบัติการตีความทางประยัติเป็นการตีออกการตีความทางปฏิบัติเป็นการตีเข้าการตีออกคือการหาความรู้ทางสุภาษิตในทางอัดแปลแก้ไขอ้างคำพีที่มาสืบสาวหาความรู้ให้กว้างขวางเพื่อขยายความของสุภาษิตเพื่อคนอื่นการตีเข้า คือการขบคิดหาทางปฏิบัติตามสุภาษิตข้อ น, นั้นว่าทำอย่างไรเราจึงจะทำได้ตามที่สุภาษิตกล่าวสอนไว้เพราะฉะนั้นผู้ตีความสุภาษิตในศาสนาต้องพิจารณาแนวทางที่ต้องการให้แน่นอนจึงจะได้ผลจากสุภาษิตยิบเกรกฎาคม2504